กับนมัสการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าออดิเอียนคนไหนที่สงสัยหรือว่าเออถือว่าโอกาสที่จะมีเวลาจังหวะตรงนี้ก็พอหลวงพ่อพอยังมีเวลาอยู่ครับเพื่อข้างล่างใครสนใจที่จะมาถามในรายละเอียดว่าไอตัวเราถูกรู้เนี่ยมันเป็นคำหนึ่งที่หลวงหลวงพ่อเมตตาตรงนี้อย่างมากเลยถ้าเห็นคำนี้เนี่ยมีความแจ่มแจ้งในคำนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเลยว่า มันไม่มีเราเป็นไปได้จริงๆผมนี่พูดได้เลยว่าเป็นไปได้เพราะผมก็ศึกษาพิธธรรมมาแล้วมันมันเป็นเรียนเรื่องตำราทั้งหมดเลยแล้วก็ในในพิธรรมบอกว่าขณะนี้มีเห็นมีจริงๆไม่ใช่เราเรียนแบบนี้สี่หปีแต่ไม่รู้จักว่าเออธรรมชาติรู้มันเป็นยังไงไม่เคยรู้เลยครับว่ามันพ้นเราอย่างไงดังนั้นถือโอกาสของท่านที่ที่เป็นออเดียนที่สนใจหรือว่าหรือว่าสงสัยอะไรก็ยินดีที่จะให้มาเข้ามาถามหลวงพ่อได้ในจังหวะนี้ครับ ไม่ทราบหวานเจีย๊ยบมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมเพราะวันก่อนหวานเจีย๊ยบก็พูดถึงเรื่องการดูกายแล้วก็มันตามรู้ตามดูหมดเลยครับเห็นแต่ละอยา่างแล้วก็มาเห็นมาเห็นอะไรอ่มาเห็นตัวเองกลายเป็นก้อนอะไรเห็นแบบนั้นนะั้นไม่ทราบหวันเจีย๊ยบจะถามหลวงพ่อไหมครับจังหวะ น, นี้ได้มีโอกาสได้ให้มาเป็นผู้ผู้ถามเลยครับสะดวกไหมครับครับไม่ทราบอ่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ที่ระหว่างคนที่สนใจเดี๋ยวค่อยยกมือนะครับอ่าวันหนึ่งผมได้คุยกับนิชาครับหลวงพ่อแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของ ลักษณะคนที่มาถามความรู้นะครับแบบนี้ก็หลากหลายซึ่งมันมีประเด็นที่นิชาเขาเห็นว่าจริงๆคนที่มีพื้นฐานนี่ครับโดยเฉพาะในเรื่องของอต้องรู้จักตัวผู้รู้ก่อนถึงจะมาเป็นลักษณะที่จะมารู้แบบตัวเราถูกรู้ได้เนี่ก็มีความเห็นว่าออต้องผ่านการภาวน่าแบบเข้มข้นมาระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมารู้จักผู้รู้ได้ง่ายๆซึ่งผมมัน ก็ยังมีความตรงนี้ยังไม่ชัดเจนผมมองเห็นว่าไอ้ตัวผู้รู้ที่ที่ที่เป็นลักษณะผู้รู้นี่บางทีไม่ต้องผ่านการฝึกอะไรมาอย่างอย่างยากยาวนานอะไรหรอกก็คือว่าบางคนสะสมมาแล้วบางทีเขามีปัญญามาในอดีตชาติแล้วดังนั้นมันก็เลยมีความเห็นต่างกับนิชาตรงนี้นิดนึงว่าอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าจะต้องไปฝึกพื้นฐานเบสิก่อนแบบเข้มข้นหรืออะไรแล้วก็มารู้ไอ้ตัวเราถูกรู้ได้ซึ่งตรงนี้ก็มีความ ยังไม่ชัดเจนเลยคุยกับนิชาว่าเดี๋ยวถามหลวงพ่อดีกว่าประเด็นนี้ไม่ทราบหลวงพ่อพอเข้าใจที่ผมพูดไหมครับจริงเรื่องของการรู้ตัวเราเนาะมันก็เป็นเรื่องของปัญญาโดยแท้แหละเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาก็คือพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วยกตัวอย่างไปแล้วก็ไม่เข้าใจนะแต่ผู้มีปัญญาเนี่ยเพียงแต่ฟังคำสองคำเนี่ยก็สามารถ เข้าใจคือรู้ตัวเราได้เลยเลยอ่ารู้ตัวเองได้เลยนะเพราะงั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นหลักตายตัวว่ามันจะพูดยังไงอะ่ะก็มันอยู่ที่ปัญญาเนาะเออเริ่มจากปัญญาดีกว่าถ้ามีปัญญามากคือฟังทีเดียวก็เก็ตเลยแต่ถ้ามีปัญญาลดหลังกันไปก็อาจจะฟังหลายครั้งยกตัวอย่างประกอบหลายๆลครั้งแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าปัญญาแบบจะเรียกว่าไม่มีปัญญาเลยเนาะพูดเท่าไหร่เท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เข้าใจนะซึ่ง อันเนี้ยมันก็ก็มีอยู่จริงแหละเออมีอยู่จริงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นพระหูสูตรเนาะจริงๆสามารถที่จะถ่ายทอดทำได้หมดอะ่ะแต่ว่าผู้มีปัญญามันก็แล้วแต่นะบางท่านก็อย่างปัญญามากก็คือท่านไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมเช่นมหากรสปะอย่างเงี้ยพระองค์แค่ชูดอกบัวขึ้นมาไม่ได้พูดสักคำหนึ่งมหากัสปะก็เข้าใจแจ่มแจ้งเลยอันนี้บรรลุได้นะส่วนสูตรอื่นอย่างเช่นพระพายยะอย่างเงี้ยก็พูดสองสามคำ เห็นก็สักแต่เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินทราบก็สักแต่ว่าทราบรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเนี่ยแค่เนี้ยก็ตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองพระภายยากก็ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บรรลุธรรมได้เร็วส่วนเรื่องอื่นๆก็อธิบายไปเป็นตามลําดับเนาะบางท่านกา็ผ่านโสดาบันก่อนบางท่านก็ออกข้ามไปเลยฟังทีเดียวก็อาหารหันเลยก็แล้วแต่นะอืทีนี้พอกลับมาเรื่องของ เรื่องการรู้เราเนี่ยรู้ตัวเองเนี่ยนะเอาไงดีก็เนี่ยอาศัยเนาะอาศัย พ, พวกเราเนี่ยถ้าได้เข้ามาพูดคุยเนาะแล้วก็คนที่มีประสบการณ์นะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วก็เข้าใจถึงใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมาตอนหลังแล้วมันเป็นยังไงถึงได้รู้ตัวเราเป็นอย่างเงี้ยก็มาแชร์กัน การแชร์มันก็มีประโยชน์เพราะว่าคนฟังเนี่ยบางทีเขาฟังแล้วก็เกิดปัญญาได้เหมือนกันแล้วก็มันจะเกิดทําให้เข้าใจขึ้นมาได้เลยว่าอ๋อจริงๆธรรมะเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ยากอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะที่เราคิดเนี่ยคือมันมีตัวเราเป็นผู้คิดแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องรู้ตัวเราว่าเราเป็นผู้คิดนะก็แค่รู้ตัวเราแต่การรู้ตรงรู้ตัวเราเนี่ยมันแค่ถ้าเป็นความจําเนาะบอกว่าเออเนี่ยรู้แล้วรู้เราแล้วรู้ตัวเองแล้วอย่างนี้ก็อาจจะแค่แบบ มันจําได้มันไม่ชัดเจนไงแต่วิธีที่จะให้รู้ตัวเราอย่างชัดเจนเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องแยกเด็ดขาดเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งก้อนเลยทั้งพวงทั้งยวงเนี่ยนะเป็นสิ่งถูกรู้เลยแต่มันมีธรรมชาติรู้อยู่มีธรรมชาติรู้เนี่ยมีอยู่จริงๆซึ่ ง, ซ, งซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตรงนี้ให้ชัดเลยนะแล้ววิธีชัดที่ผ่านมาเนี่ยในคลิปต่างๆไม่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือว่าแสดงคลิปทางคลิปเนี่ยก็เพื่อให้ ให้เห็นตามแล้วก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็นส่วนๆได้เลยว่าอะไรเป็นสิ่งถูกรู้และอะไรที่เป็นธรรมชาติรู้นะแยกอย่างเนี้ยมันก็เข้าใจทำไมหลวงพ่อเอาตรงนี้มาพูดก็เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เข้าใจแบบนี้แล้วก็มาถ่ายทอดนะเพื่อให้คนอื่นได้รู้ตามได้ทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ที่โยมพงยนต์ไมมาให้หลวงพ่อพูดเนาะตรงไหนนะเอาออีกทีนึง่งจะได้ตอบตรงประเด็น คือพูดในประเด็นของการเกื้อกูลผู้ที่ใหม่ะคะรับผบางคนมีพื้นฐานที่หลากหลายโดยโดยมีความเห็นว่าบางคนมันมีต้องต้องเขาคือจะเขามไม่รู้จักคําว่าไอตัวผู้รู้เลยซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าถ้าไม่ผ่านพื้นฐานของการฝึกไม่ว่าจะดูกายก็ดีดูจิตก็ดีเนี่ยไม่ผ่านฝึกอะไรมาเลยจะไม่สามารถรู้ว่าพูดคำว่าผู้รู้ในในยะที่หลวงพ่อสื่อคืออะไร แล้วจะมาสอนไอ้ตัวที่ถูกรู้เนี่ยยิ่งไม่เข้าใจไปอีกดังนั้นเนี่ยแต่ผมเห็นว่าไอ้ตัวผู้รู้ที่ที่ที่พูดเนี่ยมันบางคนเขามีปัญญามาแล้วนั้นสะสมมาแล้วบางทีเหมือนกรณีของจีน่านี้ก็เขาสะสมมาแล้วเขาเขารู้จักผู้รู้เนื่องจากเป็นโค้ดการการถอดถอนการดูจิตกันอะไรมาแต่ว่าแต่บางคนนั้นไม่ผ่านอะไรมาเลยเขาอาจจะไม่รู้จักคำว่าไอ้คำ ว, ว่าผู้รู้นี่คืออะไรเลยเลยไอ้ตัวถูกรู้เลยเข้าใจยากไม่ทราบตรงนี้หลวงพ่อจะสื่ออย่งไรครับ อ่าก็โอเคนะเท่าที่หลวงพ่อเห็นมารู้ประวัติเหมือนกับว่าตามรู้ข้อมูลที่รับรู้อนะเพียงเท่าที่ที่หลวงพ่อรู้ก็คืออย่างของยมจีน่าเนี่ยที่หลวงพ่อได้ลองติดตามฟังมายมจีน่าเนี่ยตามที่ประวัติที่เล่ามาเนี่ยไม่เห็นมีรูปแบบต้องฝึกอย่างงวนอย่างนี้เลยนะเพียงแต่เข้าห้องขับเฮาแต่ก่อนเข้าห้องขับเฮาอาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วล่ะแต่ก็อาจจะเริ่มเริ่มเข้าใจนะ แต่พอได้มีการพูดคุยกับยมจอมโยมอะไรเนี่ยที่ที่เปิดห้องขึ้นมาเนี่ยเห็นความก้าวหน้าของโยมจีน่าคือจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่ารู้ชัดรู้แจ้งต่อการรู้จักตัวเองมากขึ้นนะอันเนี้ยชีย้ให้เห็นว่าจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ต้องอาศัยการปฏิบัติตามรูปแบบเพียงแต่ฟังแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็เห็นตามตามที่ผู้ผู้พูดพูดให้ฟังเห็นตามอย่างจำแจ้งถึงใจนะ อย่างหลวงพ่อฟังของโยมจีน่าที่โยมจอมพงษ์จัดเมื่อวันสักสองวันเมื่อวันวันไหนหน้าชัดเจนมากเลยโยมจีน่าที่โยมจอมพงษ์ตั้งโจทย์ขึ้นมาเรื่องไร้สาระเรื่องเอ้ยไม่ใช่เรื่อ ง, อ, งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ที่โยมจอมพงษ์ใช้คําว่าไอตัวเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยคําว่าผู้ใช่ไหมผู้ผู้ผู้ผู้อะไรเนี่ยแล้วโยมจีน่าก็ ยิ่งเข้าใจยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าโอ้อไอตัวเราเนี่ยคือมันอยู่ซีกนี้มันเป็นฝั่งนี้มันเป็นฝั่งถูกรู้แต่ธรรมาชาติรู้มันอยู่ฝั่งโ น, น้นคือเป็นฝั่งที่รู้เราแต่เป็นฝั่งที่พ้นทุกก็มีความชัดเจนมากขึ้นตรงเนี้เอาตัวอย่างของโยมจีน่าได้เลยว่าโอ้โยมจีน่าเนี่ยเข้าใจธรรมะขั้นหลุดพ้นเนี่ยเพียงแค่ไม่ไม่นานนะเออเพียงแค่ไม่นานอืแม้กระทั่งของโยมนิ ช, ชาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่ง เอาตัวเราเป็นผู้ดูจิตแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ดูจิตนึกว่าจิตดูจิตแต่พอมีคนมาชี้ว่ายังมีเราเป็นผู้ดูอยู่นะยังมีเราเป็นผู้รู้เรื่องจิตอยู่นะโยมนิชาก็พลิกกลับขึ้นมาเลยว่าเออใช่ยังมีตัวเราเป็นผู้ถูกรู้ก็เลยทําให้รู้จักจิตตัวจริงขึ้นมาว่าไอจิตตัวจริงไอจิตแท้แท้เนี่ยคือจิตที่รู้เรานั่นแหละพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วโอ้การปล่อยวางก็คือว่าปล่อยวางจิตก็หมายถึงว่าปล่อยวางอาการที่เคยที่รู้มาก่อนแล้วก็ ปล่อยวางตัวเราที่เป็นผู้รู้เรื่องจิตพอวางทั้งสิ่งถูกรู้วางผู้รู้ตรงเนี้ยก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วหมดเลยก็เหลือแต่ธรรมชาติธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยก็เป็นความชัดเจนแล้วก็เมื่อชัดเจนอย่างนี้มันก็ไม่ไหลกลับแล้วเพราะว่ามันรู้แล้วนี่ว่าหลุดพ้นคืออย่างนี้หลุดพ้นคืออย่างนี้หลุดพ้นคืออย่างนี้นะอ่ะอย่างนี้แหละผมก็ตอบครบรู้เปล่าไม่รู้อะลองบอกมาอีกทีนึงครับก็หลวงพ่อได้อธิบายว่า บางคนเขาสะสมปัญญามาแล้วก็บางท่านก็พอถามคําถามว่าใครรู้เนี่ยเขาเกิดพึงระลึกด้วยความเข้าใจตรงนี้มันมันมีสติเกิดขึ้นเลยว่าก็ตัวจีน่ารู้พอตัวจีน่ารู้มันกลายมันเป็นรู้ทั้งตัวได้เลยครับโดยไม่ได้ไปทําอะไรซึ่งตรงนี้ก็วันก่อนได้ไ ด, ได้ได้ดูคลิปหลวงพ่อแล้วหลวงหลวงพ่อก็บทญาตโยมแล้วหลวงพ่อว่าตัวเราเป็นผู้ทําตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้ภาคตัวเราเป็นผู้แสดงผมก็คําหลวงพ่อเนี่ยครับเมื่อรู้ตัวเราเป็นผู้ ตามด้วยจุดๆจุดหลายอย่างเนาะตามที่ตัวตามด้วยอะไรต่างๆเมื่อรู้ตัวเราเป็นผู้นั่นคือนั่นคือศัตรูหมายเลขหนึ่งคือหมายความว่ารู้ทันรู้ทันความเป็นเราหมดนะครับรู้จีน่าเขาเก็ตประเด็นนี้ว่าถ้ารู้ว่าตัวเราเป็นผู้นั้นมันมีธรรมชาติรู้เกิดขึ้นแล้วในเวิร์ดดิงนั้นเองครับผมว่าโอ้จีน่าเข้าใจเร็วครับใช่ใช่เนี่ยไอ้ศัตรูหมายเลขหนึ่งเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยถ้าตัดต่อนะ ตัดต่อเอาช่วงที่สนทนากันเนี่ยมาเปิดมาฟังเนี่ยคนอื่นก็อาจจะเข้าใจได้นะเพราะว่าโยมจีน่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยเข้าใจอยู่แค่เนี้ยแต่พอ ค, คุยไปคุยไปมันก็เข้าใจลึกซึ้งลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญานี่เนาะมันก็มันโหว่าไปแล้วเนาะบางทีเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้พวกเราเนะเข้าใจแค่นี้นะเดี๋ยเมื่อมีประสบการณ์มีอะไรไปมากกว่านี้เนี่ยปัญญามันก็จะ เขาเรียกว่ามันต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะลึกซึ้งถึงใจลึกซึ้งถึงใจไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่าหยุดแค่นี้ก็ใช้ประสบการณ์ของชีวิตในแต่ละแต่ละช่วงแต่ละเวลาเนี่ยมาสังเกตมาดูกันแล้วก็จะเกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็ต่อไปมันก็จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายในยจิตใจแล้วเพราะมันรู้ว่าสิ่งเนี้เป็นสังขารทั้งหมดเช่นร่างกายเนาะมีความป่วยมีความไม่สบายมีปวดหัวตัวร้อนหรือเป็นโควิดอะไรก็แล้วแต่ พอมีปัญญาขั้นหลุดพ้นเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเพราะมันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเนี่ยคือทุกข์กเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหย ม, มันก็เห็นถูกต้องหมดเลยอะ่ะเห็นถูกต้องก็ใจก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยเออพะใจมันได้แต่รู้เนาะเออก็ได้แต่รู้แจ้งอย่างเงี้ยเพราะนั้นนอนป่วยไม่ป่วยติดเตียงยังไงก็ไม่เดือดร้อนใจเลยนะเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเคยมีเคยเป็นมันก็สลัดออกไปคือมันไม่สนใจแล้วเพราะว่า uję. มันรู้ว่า สิ่งใดมีแล้วข้ายึดมันก็เป็นทุกข์นะใจก็เลยได้แต่รู้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดก็มีแต่ความหลุดพ้นไปอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ไม่ถอยกลับแล้วนี่นะถ้าถึงขั้นนะไม่ว่าญาติโยมคนไหนนะที่ที่ฟังธรรมะเนี่ยรู้จักเรื่องรู้ตัวเราแล้วแล้ ว, ลวรู้แจ่มแจ้งว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นไปแล้วเนี่ยอันเนี้จะไม่เหมือนเก่าแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแล้วคือเกาเรียกว่าเดินหน้าลูกเดียวคือจะไม่ถอยกลับที่จะไป ไปไปเป็นไปโง่อย่างเก่าแล้วเออเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญญาถึงขั้นนี้เนาะมันก็จะไม่ไม่ถอยกลับไปโง่อย่างเก่าแล้วมีแต่ปัญญามากขึ้นมากขึ้นเนาะมากขึ้นจนกระทั่งว่าเอ่อเห็นโทษเห็นภัยจากการยึดถือสิ่งใดนะหมายถึงว่ายึดถือสิ่งใดก็ตามมันเป็นทุกข์หมดตรงเนี้ยเห็นโทษเห็นภัยเพราะว่ามันเห็นชัดเจนแล้วว่าความพ้นทุกข์คือได้แต่รู้แต่ก็ไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่ร่างกายมีอยู่ความรู้สึกทุกอย่างมีอยู่แต่ก็ ไม่เอาไม่เป็นไม่ยึดเนี่ยมันมีอยู่หมดอะอย่างที่ตอนต้นรายการเนาะมีโยมคนหนึ่งถามโยนนิชาว่ายังมียังมีหิวไหมยังมีอะไรมาเอ้ามันก็มีเหมือนเดิมอะมันมีเหตุปัจจัยให้หิวมันก็มีเนาะมีปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดก็มีอย่างปกติเหมือนกับคนไม่ปฏิบัติธรรมนี่แหละมันมีอย่างนั้นแหละแต่ว่าด้วยปัญญาเนี่ยที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนาะก็คือรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจจนชนิดที่ไม่มีคําพูดต้องอธิบายว่ามันคืออะไรอีก มันเข้าใจเป็นสําเร็จรูปไปเลยอ่ะเออจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันมันรู้ไปแล้วไงเออไม่ต้องถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะพอรู้อะไรก็บอกว่ารู้หนอรู้หนอนะเดินหนอนั่งหนอนอนหน อ, หนอคือเอาคําว่าหนอมาตอกย้าว่าเออสิ่งนั้นปรากฏแต่พอมาขั้นนี้มันไปพูดทําไมว่าหนอหรอกเพราะว่ามันรู้แจ้งอยู่แล้วอ่ะเออรู้แบบไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยรู้แจ้งรู้แจ้งเป็นขณะปัจจุบันไป ไม่ทราบออเดียนท่านใดที่จะถามหลวงพ่ออีกไหมครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเป็นช่วงเวลาสเปเชียลครับปกติจัดช่วงสองทุ่มเป็นประจําเพื่อคนใหม่ๆจะได้มีโอกาสได้ฟังได้สนทนาเพราะว่าจเจริญกุศลในท่ามกลางอากุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับตามเหตุและปัจจัยเผื่อบางทีตายไปพวกนี้ไม่ได้มาพูดมาคุยไม่ได้มาถามมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับดังนั้นชีวิตอย่างท่อนไม้ได้ท่อนฟืนครับดังนั้นถ้า ใดจะถามเพิ่มเติมหรือว่าถือโอกาสอันดีนี้ถามหลวงพ่อก็ก็เรียนเชิญได้เลยครับ อ, อเรียนครับหรือว่าคนก็ที่ ท, ที่ที่เป็นคนเก่าเก่าแล้วก็ถามได้คนใหม่เนถามได้หมดครับเรียนเชิญครับถ้าไม่มีแล้วไ ม, ไม่ไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเดี๋ยวก็สงสัยไม่มีแล้วครับวันนี้อืมก็ถ้าไม่มีก็ ก, ก็คือก็หลวงพ่อก็ก็จบเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็จะฝากไว้ก็คือว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนาะ ให้ไปทดลองไปก็เรียกว่าไปทดลองทำอย่างเช่นหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องอะไรละ่ะก็ลองไปทดลองทำดูนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนหรอกในสติปัฏฐานสูตรอะเป็นบอกก็เรียกว่าเป็นสูตรที่บอกให้ทำหมดเลยนะแต่ถ้าใครฟังแล้วอ่านแล้วแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างมันก็ไม่ได้อะไรได้แค่ฟังแล้วก็หมดไป แต่ถ้าทําเช่นอะไรเขาในสติปัฏฐานใช่ไหมเช่นอธิยาบทในการมีสติรู้กายใช่ไหมเดินยืนนั่งนอนเนี่ยให้รู้ตัวเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทําจริงๆคือต้องไปเดินต้องไปนั่งต้องไปนอนคือแล้วก็ให้ระลึกได้ขึ้นมาว่าเนี่ยตอนเนี้ขณะปัจจุบันเนี่ยคือร่างกายเนี่ยกําลังเดินนะคือให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันกําลังเดินหรือว่ากําลังนั่งหรือกําลังนอนเนี่ยคือต้องไปลองไปศึกษาเนาะ แล้วก็จริงจอ่ะอิริยาบถของของคนเรามันก็มีเยอะเนาะเดินยืนนั่งนอนโคเหยียดเพื่อนไหวหันซ้ายแลขวาก้มเงยอ้าปากเคลืน่นน้ําลายกับพิษตานะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะสวมใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเต็มไปด้วยร่างกายที่มันทําแล้วก็เคลื่อนไหวก็พึงสังเกตแต่สังเกตใหม่ๆหมถ้าไหม่จริงๆอ่ะถ้าประสบการณ์ของหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจหรอกแต่ก็ลองทําแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยสิ่งที่พบก็คือว่า จิตใจมันก็รู้สึกมันส ง, งบเนาะเพราะว่ามันมารู้อยู่กับกายมันไม่คิดฟุ้งซ่านไม่ไม่ส่งออกนอกมันก็ได้รับความสุขเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ชอบชอบใจพอใจเห็นว่าเออทุกน้อยลงเพราะว่ามันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อมันให้ผลอย่างนี้มันก็เกิดความเพียรนะสนับสนบสุนขึ้นมาคือชอบพอชอบก็เรียกว่าเป็นฉันท่าเป็นความพึงพอใจก็ขยนัน ขยันมากๆก็เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์มันก็มากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งว่าไอกเกเรตตัวเล็กๆตัวที่เราไม่เคยรู้จักเราไม่รู้จักหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นความยินดีพอใจแต่จริงความยินดีพอใจมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งเนาะเป็นความหลงในในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปเพลินไปยินดีแต่เมื่อถึงขั้นละเอียดมันก็จะรู้ว่าความยินดีหรือความไม่ยินดีเนี่ยอันนี้มันก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ ก็สามารถรู้เท่าทันได้นะรู้เท่าทันเช่นสมมติ ข, ขั้นไปลายเนาะเช่นพอใจว่าเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราทุกข์น้อยลงเรามีความสุขมากขึ้นเราเข้าใจธรรมะขั้นละเอียดนะหรือว่าบางทีอาจจะไม่พอใจในอารมณ์บางอย่างเช่นอาการความคิดคิดเยอะก็ไม่ชอบหรือว่าอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่พอใจอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเป็นเรื่องของสติที่ต้องรู้ทันหมด นะทีนี้เมื่อรู้ทันเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีปัญญามันก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมันเป็นสังขารปรุงแต่งตรงนี้สําคัญมากนะคําว่าสังขารเนี่ยเพราะว่ามีแต่สังขารเท่านั้นหรือว่ามีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเพราะฉะนั้นต้องรอบรู้ในกองสังขารคือรู้แจ้งต่อสังขารคือสิ่งที่กําลังปรากฏไม่ว่าจะปรากฏแบบไหนจะถูกใจไม่ถูกใจมันเป็นสังขารทั้งหมดนะแล้วก็ พึงมีสติก็คือว่าสิ่งนี้ยึดถือไม่ได้มันปรากฏขึ้นมาแค่เป็นเครื่องรู้เป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้นเองเหมือนกับว่าพูด ง, ง่ายๆก็คือว่ามันปรากฏขึ้นมาก็คือแค่รับรู้รับทราบแล้วก็ผ่านไปนะไม่ได้ยึดถือเพราะว่าหลักทำคําสอนของพุณเตเจ้าเนี่ยสอนเพื่อปล่อยวางใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็คือแค่รู้มันอย่าหลงไปยึดถือนะ แค่รู้จริงๆรงนะยึดไม่ได้ยึดก็มันเป็นทุกข์เพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเนอะยึดแล้วอยากให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ขับแคลใจอนใเพราะฉะนั้นเพียงแต่รู้แต่รู้ไม่กระทั่งความเอเนี่ยที่ความธรรมะเข้าใจแจ่มแจ้งเข้าใจแจ่มแจ้งเราก็เพียงแค่รู้ว่ามันเข้าใจนะไม่ได้ยึดถือมาเป็นเป็นตัวเป็นตนว่าว่าเป็นเราเราเข้าใจนะรู้อย่างเงี้ยรู้รู้รู้ไปนะ ก, ก็เออขยันฟังกันแล้วกันนะแล้วก็อืมไป ทีจารณาไปทบทวนทำอย่าเพิ่งเชื่อโดยอย่าเพิ่งเชื่อแบบแบบขาดเหตุผลต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนเน้วถึงค่อยปรงใจลงใจเชื่อทีหลังนะก็หลวงพ่อก็คงฝากไว้แค่นี้แหละนะครับสําหรับวันนี้บอกเล่าก้าวต่อถามหลวงพ่อในข้อข้องใจหรือข้อติดขัดอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือว่าพวกเราที่สงสัยหรือว่าอะไรถ้าวันนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีข้อสงสัยแต่วันหน้าถ้ามีก็จากนี่บนหลวงพ่อมา ให้พวกเราได้กระจ่างอีกนิดนึงกับเพิ่มเติมความเข้าใจเพิ่มไปอีกนะครับท้ายสุดก็ขอให้ความเข้าใจนี้ครับเป็นเหตุให้เข้าใจต่อไปเรื่อยๆด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับบอกเล่าก้าวต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ